เวลาเดินเดินเป็นธรรมชาติเคยเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นไม่ต้องบังคับเรียนรู้ร่างกายที่กำลังเดินอยู่นี้ทั้งชีวิตเราเดินแต่เดินไปก็คิดไปไม่เคยเห็น ร่างกายนี้กำลังเดินอยู่ลองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เดินแล้วก็ไม่ใช่ใจลอยเดินก็เห็นเห็นด้วยตาใจคาว่าตาใจคือเห็นด้วยความรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกว่าร่างกายนี้กำลังเดินอย่างนี้น้ำหนักลงเท้าแบบนี้ เราหมุนตัวเราก็รู้ว่ามันกาลังหมุนอยู่ร่างกายนี้กำลังหมุนอยู่เราเป็นอะไรเราเป็นผู้ที่กาลังรู้ว่าร่างกายนี้กำลังเป็นยังไงอยู่เดินธรรมดาไม่ต้องกระย่องกระแย่ง อย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องผิดธรรมชาติมันเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของกายและใจนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยป่วยแล้วก็ไปหาหมอเชื่อหมอเราไม่เคยเรียนรู้ร่างกายตัวเองไม่เคยรู้จักว่าจริงๆมันเป็นยังไงมันทำงานยังไง แม้กระทั่งกินก็ไม่เคยรู้ว่ากินแล้วร่างกายตอบสนองยังไงเอาแต่กินด้วยความอร่อยกินด้วยความตะกละกินด้วยความอยากเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับความหวังตลอดตะกายหาความสุขไม่เคยอยู่กับความจริงตรงนี้ ร่างกายตอบสนองยังไงไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจพอเป็นอะไรขึ้นมาก็วิ่งหาคนอื่นพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะนั้นเริ่มที่จะเรียนรู้ร่างกายนี้ทำอะไรอยู่ก็รู้สึกร่างกายนี้ จะเดินช้าหรือจะเดินเร็วไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมีสติรู้สึกอยู่ไหมว่าตอนนี้ร่างกายกำลังเดินเร็วหรือเดินช้าจิตใจเป็นยังไงสังเกตไหมเดินด้วยความหวังอะไรหรือเปล่าวังว่าจะให้เป็นยังไงหรือเปล่ารู้ทันว่าความหวังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อความหวังเกิดขึ้นความเป็นตัวเป็นตนก็เกิดขึ้นนั่นเป็นส่วนเกินส่วนเกินของชีวิตของนักปฏิบัติธรรมชีวิตของนักปฏิบัติธรรมมีแค่รู้สึกเหมือนที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้านี้ feeling คือแค่รู้สึกแค่รู้สึกอยู่ที่ขณะนี้ ยืนอยู่รู้สึกไหมน้ําหนักที่เท้ายืนอยู่รู้สึกไหมว่ากระร่างกายนี้กําลังยืนอยู่ออกเดินแล้วรู้สึกไหมว่ามีความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเราเคยรู้สึกไหมบางคนโตมาส4มสี่ิปีไม่เคยรู้สึกเลยอยู่แต่ในความคิดนี่เขาเรียกว่าคนไม่รู้จักชีวิต อยู่แต่ในโลกจินตนาการอยู่ในโลกแห่งความลวงหลอกเพราะนั้นเวลานี้ชั่วโมงนี้เราให้ความสำคัญกับการรู้สึกตัว เห็นร่างกายและจิตใจมันเป็นยังไงก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเห็นตามเป็นจริงจิตมันไปคิดก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยมันไปคิดเยอะมันฟุ้งซ่านก็แค่รู้มันไปคิดแล้ว รู้แล้วมันก็จะกลับมาเองไม่ต้องดึงมันกลับมามันจะกลับมาที่เนื้อที่ตัวกลับมาที่การเห็นร่างกายนี้ที่กำลังเดินอยู่ ไหลออกไปดูก็รู้ทันว่าไหลออกไปแล้วไม่ใช่ห้ามไหลก็แค่รู้ว่ามันไหลออกไปมันลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วลืมความรู้สึกเนื้อความรู้สึกตัวไปแล้ว ค่อยๆรู้สึกไม่มีอะไรซีเรียสรู้สึกเท่าที่รู้สึกได้รู้สึกเท่าที่จิตใจนี้มีกำลังสมาธิพอที่จะรู้สึกได้ทุกครั้งที่รู้สึกขึ้นมาก็เป็นสติเป็นสมาธิสติที่ถีๆเข้า ก็จะเป็นบ่อกเกิดของสมาธิสมาธิที่เราใช้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่สมาธิสงบแต่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดจากการพ้นจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวงด้วยเครื่องมือคืออาศัยความรู้สึกตัว อาศัยการเห็นกายและจิตนี้ตามเป็นจริงแล้วสมาธิก็จะเกิดการปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิอาศัยเครื่องมือเห็นกายและจิตนี้ตามเป็นจริงเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเห็นจิตใจหรือที่เรียกว่าความรู้สึกอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ตามเป็นจริงแล้วสมาธิจะเกิดเกิดเองไม่ต้องพยายามจะมีสมาธิมันก็เกิดเอง ถ้ารู้สึกเบื่อนั่นแปลว่าไม่รู้สึกตัวแล้วอยู่ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกความคิดแล้วเป็นทาตแล้วไม่เป็นอิสระแล้วเมื่อเข้าไปจับยึดอารมณ์ความรู้สึก มาเป็นของเราความเป็นเราก็เกิดขึ้นความดิ้นรนแสวงหาทางจิตใจก็จะเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นตัวแสดงว่าความเป็นตัวตนนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์เราเห็นไหมว่าเดินเฉยๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเดินเฉยๆในห้องแอร์ พื้นลามิเนตอย่างดีมันยังทุกข์เลยคิดดูทำไมชีวิตมันทุกข์ง่ายขนาดนี้แต่เราไม่เห็นนะเพราะเราวิ่งหนีความทุกข์ตลอดเวลาเบื่อแล้วก็เลิกไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่มีความอดทนอะไรเลย เบื่อก็เห็นมันเห็นความเบื่อความเบื่อเกิดขึ้นแล้วความดิ้นรนแสวงหาในใจเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เราเป็นแค่สภาพสภาวะอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเฉย ถาดรู้ทันความเป็นเราที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วรู้ทันความเป็นตัวเป็นตนชีวิตนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดบ่อยเหลือเกินวันวันหนึ่งเนี่ยรู้ทันถ้ารู้ทันตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเร็วมากการปฏิบัติธรรมเนี่ย เราลองสังเกตคนที่ยังสังเกตไม่ค่อยเป็นลองหยุดหัวท้ายจงกลมหยุดหยุดแล้วแค่รู้สึกแค่รู้สึกน้ำหนักที่เท้าก็ได้แค่เห็นร่างกายมันยืนอยู่ก็ได้ขณะนั้นๆจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเหลือเพียงแค่ความรู้สึกไม่มีเราไม่มีใคร จิตใจนี้เป็นปกติอยู่ไม่มีความดิ้นรนบีบคั้นอะไรทั้งนั้นแต่แล้วไม่นานอารมณ์ความรู้สึกก็เกิดขึ้นเราก็เกิดขึ้นเราเข้าไปจะไปยึดมันเราก็เกิดขึ้นก็รู้ทันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเกินกว่าแค่รู้สึกแล้ว ถ้าจิตใจมีสมาธิดีมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็รู้ทันปับ๊บก็ดับไปเลยหมดไปหรือไม่ก็จางคลายไปไม่ได้เอามาเป็นของเราการเห็นแบบนี้นี่แหละที่เรียกว่าความสุขในการปฏิบัติธรรมเกิดจากการเห็น สภาพสภาวะใดๆในกายในใจนี้ตามเป็นจริงพวกเราหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันสุขยังไงมันเป็นเรื่องธรรมดา เหมือนเราชิมน้ำตาลแค่เกล็ดเดียวเราก็ไม่รู้เราก็มันหวานชิมไปเรื่อยๆขยันไม่ขี้เกียจปฏิบัติให้ต่อเนื่องเราจะได้รู้จักความสุขที่แท้จริงคือความพ้นจากทุกข์ทั้งปวง คือความอิสระไม่ติดกับสิ่งใดหรืออะไรอะไรเลยชีวิตเป็นแค่ฟโฟล์อยู่ในธรรมชาติจนกว่าจะหมดลมหายใจไป สังเกตจิตใจหน่อยมีอะไรไหมความรู้สึกอารมณ์ในใจตอนนี้เป็นยังไงสังเกตไม่พอเราหันลับมาดูจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกในตอนนี้เป็นยังไงมันกลับมาที่เนื้อที่ตัวอัตโนมัติเลยมันตัดความหลงทันที เราหันกลับมาดูจิตใจบ่อยๆเหนื่งๆหรือเท่าที่เราลึกขึ้นได้เราจะเข้าใจเลยว่าโอ้เมื่อกี้หลงไปเลยว่ะโอ้เมื่อกี้ไปติดอยู่กับความคิดติดกับอารมณ์อะไรก็ไม่รู้นัวไปหมดเราจะเห็นความแตกต่างได้ว่าโอ้มื่อกี้หลงไปเป็นแบบนี้นี่เองลืมเนื้อลืมตัวไปเป็นแบบนี้นี่เอง ไม่มีสตินี่เป็นแบบนี้นี่เองคนไม่มีสติก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่มีคุณค่าอะไรเพราะคนไม่มีสติคือคนที่จะทำอะไรตามความอยากตามกิเลส ลังแต่จะสร้างความบุ่นว้ให้กับตัวเองและคนรอบข้างจนถึงสังคมประเทศสติที่ว่าไม่ใช่สติทั่วๆวไปที่ว่า เดินข้ามถนนดูซ้ายดูขวารถไม่ชนสติที่ว่านี่เรียกว่าสัมมาสติหรือสติปัฐานสีคือสติที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่แหละรู้กายรู้ใจอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าสติเป็นสติที่คนในโลกไม่เคยมีเลย วันนี้เราก็เหมือนเด็กเหมือนตอนเด็กๆที่เราโตขึ้นมาพ่อแม่กระจับเราเข้าไปเรียนหนังสือแล้วก็บอกเราต้องเรียนหนังสือทำไมไม่อยากไปเรียนก็ต้องเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพการงานทาเราก็เชื่อนะทา ทั้งที่เราไม่เข้าใจเราก็ทำไมต้องเรียนเราคิดไม่ออกมีแต่พ่อแม่บอกเราว่าต้องเรียนมาวันนี้เหมือนกันมีคนกำลังบอกเราว่าต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ทำตัวให้เหมือนตอนเป็นเด็ก ทำทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจว่ามันมีความสําคัญกับชีวิตมากขนาดไหนวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ขอให้ทํา ความเข้าใจจะค่อยๆเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราไม่สามารถเข้าใจธรรมะจากความคิดได้หรือจากการฟังได้ สังเกตได้ไหมว่าความเป็นเรานี่เกิดขึ้นกี่ทีแล้วเดินดนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยความเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันหรือว่าเข้าไปเป็นความเบื่อนั้น อย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมนี้ให้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจมากเกินไปเราเดินจงกรมก็แค่เห็นร่างกายนี้มันเดินอยู่ เราเห็นมันได้ไม่ต้องใช้ตาจริงๆเราเห็นได้ได้วยความรู้สึกมันจะเดินเร็วเดินช้าก็เห็นมันเดินอยู่ตัวสําคัญคือยังเห็นอยู่ไม่ใช่เดินเร็วหรือเดินช้ายังเห็นอยู่ว่ามันเดินอยู่มันหยุดอยู่ มันหมุนอยู่แล้วมันก็จะเผลอหลงลืมไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาหเหมือนกันไม่ต้องไปคิดว่าโอโ้นี่แย่จังเห็นในมุมของเหตุปัใจจัยให้ได้ว่ามันมีเผลอมันก็เลยมีรู้ขึ้นมามันมีหลงก็เลยมีรู้ขึ้นมา ถ้าเดี๋ยวรู้ก็กลายเป็นหลงอีกเห็นว่าอะไรอะไรทั้งหมดนี้ก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นจะบังคับควบคุมให้มันมีสติตลอดเวลาไม่ลืมเนื้อลืมตัวเลยก็เป็นไปไม่ได้นี่คือกฎของธรรมะธรรมชาติ ตั้งแต่เดินมามีใครรู้สึกกระพริบตามัม้งไตามันกระพริบอยู่เรื่อยๆเนี่ยเคยรู้สึกัหมสังเกตใช่ไหมเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรอยู่ในตัวในกายในใจนี่ไม่ค่อยรู้เรื่อง เาเดินสังเกตจิตใจเรามีความรู้สึกว่าจะเดินเพื่ออะไรจะเอาอะไรไหมรู้ทันความหวัง นี้มีหน้าที่แค่เห็นร่างกายนี้มันกำลังเดินอยู่แค่เราเห็นร่างกายนี้มันกำลังเดินอยู่สังเกตไหมว่าความสงบ หรือความเป็นปกติของจิตใจนี้มันเกิดขึ้นเองนี่เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิ เมื่อเราเห็นร่างกายมันกำลังเดินอยู่หยุดอยู่หรือหมุนอยู่เราจะรู้สึกได้ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้อยู่ถูกใครรู้ถูกเรานี่ยรู้ตอนนี้เราเป็นใครเราเป็นผู้รู้อยู่ ผู้รู้ว่าร่างกายนี้กำลังเดินอยู่เมื่อร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถามว่ามีเราในร่างกายนั้นัหมความเป็นเราอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ในร่างกายนั้นจริงหรือเปล่าเราเป็นคนรู้ร่างกายอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ร่างกายนี้ เราเป็นอีกสิ่งหนึ่งในตอนที่เห็นร่างกายนี้อยู่ครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้อยู่ เมื่อมีจิตที่เป็นลักษณะของผู้รู้โอกาสที่จะเห็นสรรพสิ่งหรือว่ากายและจิตนี้ตามความเป็นจริงก็มีได้ที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นได้แต่มันจะเกิดทีเผลอไม่ต้องพยายามจะไปเห็นมันหรอก หน้าที่ของเราส่วนใหญ่ในชีวิตของการปฏิบัติธรรมคือไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้เห็นร่างกายอย่างที่กำลังเดินจงกรมอยู่แบบนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ หน้าที่เรามีแค่เนี้ยถึงมกว่าการปฏิบัติธรรมมันง่ายเพราะว่าสิ่งที่ต้องทำมันมันมีนิดเดียวเองคือแค่รู้แค่เห็นกายและจิตนี้ไปเรื่อยๆแต่ที่มันไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเพราะเราละเลยเดี๋ยวเราลองดูว่าอะเลิกไปเนี้ยเลิกเดินจงกรมเนี้ย ดูดิว่าเราลืมไปนานเท่าไหร่ไม่มีคนคอยพูดเตือนเราดูดิว่าเราหลงอยู่ในความคิดนานเท่าไหร่เรานั่งอยู่เรารู้ไหมเราเดินอยู่เรารู้ไหมเราพูดอยู่เรารู้ไหม ถ้าเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันมรรคผลนิพพานความพ้นทุกเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเราหรอก ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในจิตใจเกิดขึ้นก็แค่รู้ไม่ต้องเอามาเป็นของเรามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันไม่ใช่เรา ถ้าเราพยายามจะเป็นเจ้าของอะไรเราจะต้องทุกข์เพราะสิ่งนั้นอีกห้านาทีเดินเห็นกายนี้อย่างที่มันเป็นเห็นจิตใจนี้อย่างที่มันเป็น เป็นการเดินเหลือแค่กิริยารู้สึกแล้วก็รู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพอมีเหตุมีสาเหตุมันก็เกิดขึ้นเราจำเป็นต้องรู้สาเหตุนั้นไหมไม่จำเป็น เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะมีความรู้แต่เดี๋ยวความรู้มันก็มาเองจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละ การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเห็นตามเป็นจริงเหมือนเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะเห็นของจริงเลยอะมันจะอธิบายได้ละเอียดเลยเข้าใจว่าไอสิ่งที่เห็นนี่มันเป็นยังไงยังไงยังไงแต่ถ้าเรานั่งฟังเขาเล่าแล้วก็คิดตาม คิดในเชิงเป็นเหตุเป็นผลตามคิดยังไงมันก็ไม่เหมือนพระนศัศาสนาพุทธจึงเป็นการเห็นอย่างวิเศษจึงว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่งนะ แต่ที่สำคัญต้องเป็นคนอึดอึดพอที่จะไม่เลิกไม่เลิกที่จะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นมันเป็นแค่เรื่องเรียบเรียง่ายๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อาศัยความเก่งอะไรเลยอาศัยความอึด มันเต่าอ่ะเต่ามันโง่กว่ากระต่ายเต่ามันค่อยๆเดินไปเรื่อยแต่มันชนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็แค่รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นเนี่ยไปเรื่อยอย่าเลิกก็พอ เลิกก็กลับไปเป็นคนหลงโลกจมทุกข์หาความสุขไม่ได้ช่ทีจนตายก็ะจะตายก็กลัวตายทุกข์อีกไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นก็อย่าเลิกปฏิบัติธรรม